ก็อุปาทานขันห้านะครับก็เป็นทุกขาิยาสัตนะครับแม่ความเกิดก็เป็นทุกนะครับแม่ความแก่ก็เป็นทุกนะครับชาติปิตุขาชราปีตุขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสาปิทุกขหาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิตปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตามปีตุขัง ว่าโดยย่อนะครับสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะครับหมายว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกเนี่นะครับด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเนื้อความได้แก่อริยสัจสองข้างต้นแต่ในสูตรนี้พึงทราบว่าได้แก่ทุกขาริยสัจนะครับงั้นถ้าใช้คําว่าโลกก็ได้แก่ตั้งแต่ชาไปทุกขาเป็นต้นนะนะที่พระองค์บอกว่าโลกตถาคตตรัสรู้แล้วทุกแง่มุมนะครับ ในทุกภพภูมิด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวละตัวภายพระองค์อย่างเดียวทุกภพภูมิถามว่าก็ความหมายว่าย่อยยับไปหักพังไปย่อมมีอยู่ในอุปาทานขันห้าโดยไม่แปล ก, กันไม่ใช่หรือขันทุกขันมันก็แปลกหักพังทุกหมดไม่ใช่หรือแต่ว่ามีอยู่จริงแต่สิ่งใดที่ยึดถือไว้ว่าจะไม่ย่อยยับไปสิ่งนั้นหามีอย่างนั้นไม่ย่อมย่อยยับหักพังไป โดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาวะอันนั้นจึงชื่อว่าโลกที่จริงเนี่ยนะคว่าขันห้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนามขันสี่เนี่ยรวบไปถึงโลกุตระด้วยนะแต่ว่าที่ขับเน้นเด่นเป็นพิเศษก็คืออุปาทานขันหนะ้าขันห้ากับอุปาทานขันห้ากว้างแคบต่างกันอุปาทานขันห้าเน้นเฉพาะโลกียนามขันรูปประขัน แต่ถ้าถ้าพูดถึงขัน5้านะครับนามขันบางอย่างเป็นโลกุตระนะครับในแกนในมัคจิตในผลจิตธรรมะเหล่านั้นเป็นโลกุตระนั่นก็เป็นขันแต่แต่ไม่เชื่อว่าอุปาทา น, นขันเพราะว่าไม่เป็นอารมณ์ของตัณหาและอุปาทานโลกะสับเพึงทราบว่ากำหนดลงไปแน่นอนแล้วในอุปาทานขันทั้งหลายเท่านั้นเพราะเหตุ น, นั้นคำว่าโลกจึงเป็นทุกขสั์เท่านั้นเนี่ยนะครับ แม้ผีว่าเนื้อความแห่งตถาคตสั์ข้าพเจ้าได้จำแนกไว้แล้วโดยนัยะต่างๆอย่างพิสดารในตถาคตาสูตรในเบื้องหลังแล้วซ้ายถึงอย่างนั้นในที่นี้ก็จะขยายความให้ชัดโดยมุก ค, คือแนวทางคือการพรรณนาเนื้อความของพระบาลีดังต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าแบบาภาพพิสดาร น, นะครับก็ไปดูในตถาคตที่เคยขยายไปแล้วนะครับแต่ในที่นี้ก็จะขยายควาว่าตถาคตตามสมควร บทว่าอภิสัมพุทโธความว่าก่อนอื่นโดยไม่แปลกกันตามการจําแนกที่ได้กล่าวไว้แล้วแตกก่อนนะแต่ตอนก่อนว่าอภินญยโตปริญญยโตนะครับว่าท ร, รมาที่ควรรู้ยิ่งทำมาที่ควรกําหนดรู้นะครับก็เคยจําแนกไปแล้วนะหรือว่ามาแจกเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นนะครับที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงอภิสัมพุทโธเนี่ยนะหมายถึงว่าทรงรู้ยิ่งเนี่ยนะครับ รู้ยิ่งเนี่ยนะรู้ยิ่งว่าเออธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรละนะครับเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเป็นอัปริยาปณะว่ามาจําแนกมาเป็นจริตของอาสยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นจริตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอธิมุดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ หรือว่าโดยแปลกกันที่แยกเป็นประเภทแห่งวัณณสีสันฐานเป็นต้นที่จริงนะที่พูดเนี่ยเคยขยายมาหมดแล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคือทรงรู้เนี่ยนะครับทรงรู้ทรงทราบได้แก่ทรงกระทําประโยชน์ที่คนทั้งหลายพึงรู้โดยประการใดๆให้ประจักษ์แก่พระองค์โดยประการนั้นๆโดยชอบคือไม่ผิดพลาดด้วยสยามภูญานที่ยิ่งยวดนะครับทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยนะครับอภิสามพุโทโธเนี่ยนะ รู้แจ้งแทงตลอดอย่างยังไม่ผิดพลาดเลยนะแม้กระทั่งว่าผู้นี้มีอาสยะสัตตตถิฐินะคนนี้สัตตตถิถีนะหรือว่าผู้นี้มีอาสยเป็นอุเฉททิฐินะครับยังแยกได้หรือว่ายังพง์ยังแยกว่าเออนี่พวกนี้เป็นสัมมาทิฐินะสัมมาทิฏฐิก็มาเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะเป็นสัจจานุโลมิกยานนะอุรสพวกนี้ระดับมัรคยานเนี่ยนะพง์ก็ยังรู้ถึงอาสยะเหล่านั้นทั้งหมดนะครับ หรือเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข่นแข็งนะครับลักษณะของธาตุแต่ละอย่างนะปฐวีธาตุอาโปธาตุมีลักษณะไหลไปเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงพระนามว่าอภิสัมพุทธะนะครับรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านั้นนทั้งหมดโดยไม่ผิดพลาดถ้าจะขยายอันนี้ก็ต้องเอาพุทธคุณบทว่าอาสยสัพพัญยุตยา น, นะครับคุณประเภทสัพพัญยุตยานมาอธิบายทั้งหมดนั่นเองนะครับ จึงจะรู้ชัดในคําว่าอภิสัมพุโทโธนะครับอภิสัมพุโทโธที่บอกว่าตรัสรู้นะครับตรัสรู้แล้วนะครับบทว่าโลกาสมานะครับความว่าจากโลกตามที่กล่าวแล้วบทว่าวิสังยุโตความว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วอธิบายว่าพ้นไปจากโลกนั้นเพราะตัดขาดสังโยต์ทั้งหมดที่เนื่องด้วยโลกนั้นออกไปโดยชอบแล้วนะครับ พระพุทธเจ้านี่บอกว่าโลกเนี่ยพระองค์ตรัสรูทร้ทุกแง่มุมเลยนะครับในพอบพูมทั้งหมดในการทั้งหมดเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าโลกอย่างที่ว่าพระองค์ก็พากแล้วเนื่องจากพระองค์ไม่มีสังโยชนะครับทั้งสิบเนี่ยนะครับไปข้องในโลกเหล่านั้นเลยนะครับไม่มีสากายะที ท, ทีวิจิกิชาศีละพัตะปรามากามราคาปฏิฆะนะครับ รูปราฆะอรูปราคะมานะอุทะจะอวิชชาในอารมณท์ทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พรากจากโลกเหล่านั้นรู้แต่ไม่ข้องเหมืนกันแรู้แต่ไม่ติดนะครับถามว่ารู้ทำไมจึงไม่ติดอ่ะเพราะเพราะละเหตุแห่งความติดข้องได้หมดแล้วนะครับโลกสสุทัยนะครับได้แก่ตันหาตามสุตันตนานนะครับถ้าพูดตามพระสูตรนะครับก็ได้แก่ตันหา แต่ถ้าจะพูดตามอภิธรรมนณไได้แก่กิเลสพันหพร้อมทั้งอภิสังขารคือกรรมทั้งหมดนะครับกรรมก็เรียกว่าสมูทัยนะเรียกว่าโล ก, กับสมู ท, ทยัยกิเลสทุกชนิดก็เรียกว่าโลกกับสมู ท, ทยัยนี้ถ้าพูดตามอภิธรรมมณไเพราะฉะนั้นคําว่าโล ก, กับสมูทัยก็ต้องพูดตามนัยยะไหนด้วยนะครับบทว่าปะฮีโนได้แก่ทรงละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอํานาจสมุทเชตาประหารด้วยอํานาจอรหัตนำมัตที่ โพธิมณฑลนะครับกิเลสเนี่ยนะสุดทางอภิธรรมมณไสสุตันตไนกรรมทั้งหมดที่เป็นเหตุนําไปสู่พบภูมิทั้งปวงพระองค์ละได้หมดแล้วนะครับด้วยอรหัตตมรรคด้วยนะโลกาณิโรดนะครับได้แก่พระนิพพานบทว่าสัชชิกโตได้แก่ทําให้ประจักษ์แก่พระองค์แล้วนะครับนิพพานเนี่ยนะรู้แจ้งทางตลอดทุกแง่มุมเหมือนกันบทว่าโลกาณิโรท่าคามินีปฏิปทาได้แก่อัฏฐาน ก, กิกรรมมร อันเป็นอริยะสงเคราะห์ลงในขันสามมีศีลขันเป็นต้นเพราะว่าทางนั้นน่ะไปถึงคือบรรลุพระนิพพานอันเป็นที่ดับโลกหรืออันพระเรียเจ้าทั้งหลายดําเนินไปเพื่อนิพพานนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกนะครับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแตกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปรารถนาพระนิพพาน ที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งวัตถทุกอันนี้นะจะต้องดําเนินตามข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8จริงๆไม่มีทางอื่นนะครับพระพุทธเจ้าปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีทางอื่นมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้และในธรรมวินัยนี้ก็ได้แก่มีองค์8เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นทางเพื่อทําที่สุดแห่งทุกขได้ไม่มีทางอื่นจริงๆทีนี้ขึ้นต่อไปนะครับว่าเมื่อกี้นี้ขยายถึงคําว่าโลก พระองค์ก็พากแล้วนะโลกกับสมุทัยพระองค์ก็ละแล้วโลกกันิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วโลกกันิโรธาคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วนะครับดูความพ่สูจนทั้งหลายสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวนแล้วด้วยใจ เพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับคือสรุปก็คือว่าสัตว์เนี่ยนะครับรู้สิ่งใดพระ อ, องค์ก็รอบรู้สิ่งนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่สําคัญที่สุดมากก็คือสิ่งที่สัตว์รู้นะครับพระ อ, องค์รู้หมดแต่สิ่งที่พระ อ, องค์รู้สัตว์ไม่รู้นี่ดิโดยเฉพาะอาริยมรรคเนี่ยนะครับสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปก็ยากที่จะรู้ตามก็บอกว่าด้วยคําเพียงเท่านี้นะครับ ย้อนกลับถึงโลกโลกสมุทัยเป็นต้นนะว่าเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนื้อความนี้ว่าชื่อว่าพระตถามคตเพราะตรัสรู้คือถึงตามความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่แท้จริงอธิบายว่าอริยสัจสี่นี้ชื่อว่าตรรมสิ่งที่แท้จริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่แท้จริงไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นเหล่านี้มีสอย่างสอย่าง คืออะไรคือพิสูจน์ทั้งหลายคําว่านี้ทุกนั่นเป็นสิ่งที่แท้จริงนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่นนะพึงทราบความพิสดารต่อไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพระตถาคตเพรา ะ, สะเสด็จไปเพื่อสิ่งที่แท้จริงชื่อว่าพระตถาคตเพราะทรงถึงสิ่งที่แท้จริงอั น, นึ่งบทวา่าข้าโตได้แก่ทรงบรรลุแล้วคือทรงผ่านมาแล้วหมายคำว่า ทรงถึงแล้วอธิบายว่าทรงปฏิบัติแล้วมีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงคือทรงบรรลุแล้วซึ่งสาก ล, ลโลกด้วยตีรณปริญญาที่เป็นความจริงไม่ผิดพลาดฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วนะครับตีระนปริญญาเนะี่ยพงค่ายควรหมดทุกอย่างเลยนะครับ ทรงพนาวา่าพระตถ า, าคตเพราะเสด็จมาถึงคือเสด็จผ่านโลกกัตสมย์ทไทยคือเหตุเกิดแห่งโลกมาแล้วด้วยปานะปริญญาที่เป็นความจริงไม่ผิดพลาดทรงพนาวา่ตาตถาคตเพราะเสด็จถึงคือทรงบรรลุถึงโลกาณิโรธนะครับเหตุดับโลกด้วยการทําให้แจ้งที่เป็นความจริงทรงพนาวา่ตาตถาคตเพราะทรงถึงคือทรงปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกที่แท้จริงไม่ผิดพลาด ผู้ศึกษาเพิ่งทราบเนื้อความแห่งพระบาลีนี้ด้วยอำนาจการแสดงถึงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพรตถาคตด้วยประการอย่างนี้นะครับสรุปก็เน้นการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับถ้าทุกขษัตริย์ก็ตีรณปริญญาสมุทัยสัจก็ปหานปริญญานะครับโลกกนิโรธก็ทําให้แจ้งโลกกนิโรธคามินีก็ปฏิบัตินะครับปฏิบัติจนเข้าถึงนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าคันทรงประกาศความที่พระองค์เป็นพระตถ า, าคตด้วยอํานาจการตรัสรู้อริยรสัจสี่ด้วยประการดังนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงความที่พระองค์ทรงเป็นพระตถ า, าคตนั้นแม้ด้วยอํานาจแห่งการตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วเป็นต้นในอริยสัจสีเหล่านั้นนะครับคือพอแทงตลอดอริยรสัจ4ี่แล้วนี่นะครับก็ทรงเห็นอย่างอื่นอีกมากมายใช่ไหมครับ คือที่บอกว่าสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสสัตวพร้อมทั้งสมณะพรามเทวดามนุษย์เนี่ยนะครับที่สัตว์ทั้งหมดเห็นฟังซาดรู้นะครับหรือว่าถึงสแสวงหาไขา้ควรเนี่ยนะสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดแหละบอกงั้นแต่ในอัตถกถาอังคุตรนิกายท่านกล่าวคํานี้ไว้ว่าครั้นตรัสความที่พระองค์เป็นพุทธเพราะตรัสรู้อริยสัจ4ีดังนี้แล้วคํานั้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า สับว่าตถาคตและศั์ว่าพุทธโดยเนื้อความแล้วไม่มีเหตุแตกต่างกันเลยอันหนึ่งความจริงพระบาลีก็เป็นไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่ไหนคําว่าตถาคตหรือคําว่าพุทธไม่ต่างกันนะครับเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้บอกไอ้สิ่งบอกว่ า, ส, วาสิ่งที่เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะครับสแสวงหาแล้วไข่ควรแล้วเนี่ยนะที่สัตว์รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะ คำว่าที่ถังเนี่ยนะครับคือเห็นแล้วได้แก่รูปคือสีสุตังได้แก่เสียงมุตังได้แก่กลิ่นรสและโพธาะนะครับเพราะจะต้องประจวบเข้าไปจึงจะรับเอาได้ส่วนวิญญาตังก็ได้แก่ธรรมารมณ์นะครับมีสุขทุกข์เป็นต้นนั่นเองคำว่าปัตตังนี่นะครับถึงแล้วเนี่ยนะที่มาประจวบแล้วโดยได้สแสวงหาหรือไม่ได้สแสวงหาก็ตาม ปริเยสิตังได้แก่สแสวงหาอารมณ์ที่มาประจวบเข้าบ้างที่ไม่มาประจวบเข้าบ้างอานุวิจระตังมานาซาได้แก่อารมณ์ที่ทรงไข้ครวนด้วยใจนะครับคืออารมณ์ที่สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะไข้ค ร, ครวนด้วยใจนะหมายความว่าสัตว์นึกคิดเรื่องอะไรพระองค์ก็รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดนะครับนี่นะทำให้เห็นว่าเออสัตว์รับรู้อะไรสัตว์ถึงประสบกับสิ่งใดเช่นประสบกับอารมณ์ที่น่ากลัวน่าดีใจน่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะครับ พระ อ, องค์เนี่ยรับรู้ทั้งหมดเลยนะสัตว์คนคิดนึกคิดเรื่องราวแบบใดแบบใดพระ อ, องค์ก็รับรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับเป็นธรรมดาแบบเราเคงจะฟุ้งโขมกันนะครับไปรู้หมดเนี่ยนะแต่ว่าพระ อ, องค์นี้ไม่ฟุ้งนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระ อ, องค์นี้ละกิเลสเป็นเหตุให้อุทะจะเกิดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนะครับเช่นเราไปรับอารมณ์บางอย่างที่เป็นทิพย์จะนอนหลับหรือเปล่านะครับเช่นไปเห็นนางสาวสวรรค์เนี่ยนะครับไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่านะ้อนะครับนั่นนะ หรือว่าไปเห็นสัตว์ในอบายที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นเนี่ยทําใจได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ละเหตุเป็นเหตุฟุ้งซ่านเป็นต้นหลังทั้งนั้นทั้งหมดแล้วควรจะเชื่อมความว่าถามว่าใครครวญด้วยใจของใครต่อว่าด้วยใจของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะสัตว์ที่สัตว์สิ่งที่สัตว์โลกใไข้ ค, ควรวญหมดเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับ น, นี้ก็ขยายคําว่าพร้อมทั้งโลก โลกและเทวโลกเนี่ยนะนี่ก็เน้นขยายศัพท์นั่นเองนะครับให้เห็นว่าอ้าวคาว่าโลกนี่แค่ไหนนะครับเรียกว่าสัตว์โลกและเทวโลกเนี่ยนะพันคําว่าสเทวกะหมายถึงเทวดา5ชั้นส่วนสมารากะก็สวรรค์ชั้นที่6นะครับสัพพมกะก็คือพรมทั้งหลายนั่นเองส่วนศาสมนบ ร, รมณีก็หมายเอาสามณะพราหมณ์ทั้งหมดนะครับทั้งในศาสนานอกศาสนาทั้งหมดนะนะ เพราะฉะนั้นรวมความแล้วก็คือโลกสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะใครก็ช่างเหอะเคยเห็นเคยได้ยินเคยรับรู้เคยประสบเคยสแสวงหาเคยเอาอะไรมาคิดนะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์รู้หมดเอางี้สมมุติวนะ่เรากามวิตกถึงอะไรนะพระองค์ก็รู้แล้วละ่ะแต่คิดแบบนี้นะครับเราเกลียดใครเราไม่ชอบอะไรเป็นต้นพระองค์ก็รู้หมดแล้วเรารู้กุศลอกุศลแบบไหนไหนพระองค์ก็รู้นะครับแล้วก็รู้ที่สุดของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเนี๋ยวนะ ถ้าพูดถึงความคิดของเราเนี่ยนะอกุศลวิตตกใช่ัหยครับเราบอกเออนี่วิตตกนะพระองค์รู้เลยนะวิตกวิตตกสมุทยัยวิตกนิโรธวิตตกนิโร ธ, โรธถ้าามินีปฏิปทานนะครับสิ่งเหล่านี้พระองค์แทงตลอดหมดนะครับออนะเน่ยอนัยหนึ่งที่ควรขยายนะครับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีสัตว์โลกทั้งหมดเป็นอารมณ์ได้ทรงประกาศความเป็นผู้ได้ตรัสรู้แล้ว โดยการกำหนดอย่างอุกฤตด้วยคำว่าสเทวะในสูตรนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นชนเหล่าใดพึงเข้าใจผิดว่าขึ้นชื่อว่ามานนะชื่อว่าสวัสดีมีอนุภาพมากเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นฉะกามาพรจรมีอยู่พรมมีอนุภาพมากแม้กว่ามานนั้นใช้นิ้วทั้งสิบเนี่ยนะครับก็ส่องสว่าง ในหมื่นจั ก, กรวาเวลเสวยสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติชั้นสูงก็มีอยู่สมณพราหมณ์จํานวนมากผู้มีฤทธิ์มีที่ประจักษสุรู้จิตของผู้อื่นมีอนุภาพมากยังมีอยู่หมู่สัตว์ทั้งหมดนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้ก็ยังมีอารมณ์ของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แล้วโดยไม่มีเหลือ เที่ยวหรือนะถ้าใครสงสัยนะโอ้ยคนที่เขามีความสามารถต่างเยอะแยะทั้งหมดนั่นอนะ่ะพระองค์รู้หรืหว่งงาไนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงขจัดความเข้าใจผิดของชนเหล่านั้นจึงได้ตรัสคำเมียที่ว่าสเทวโลกัสะนะครับเพราะฉะนั้นครอบคลุมสัตว์โลกทั้งสามภูมินั่นเองนะครับภูมินะหรือว่าสัตว์โลกทุกๆภูมิเนี่ย น, นะครับรับเป็นยังไงอะไรยังไงพระองค์ก็รู้หมดนะครับ ด้วยบทว่ายสมาตังตถาคตเณออภิสัมพูทางเพราะเหตุที่อารมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงคํานี้ไว้คือรูปอารมณ์อันใดพูดถึงเรื่องสีนะครับในโลกของสีสันทั้งหลายแหล่ในโลกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวสีอะไรทุกชนิดนะครับสีคนเป็นสีคนตายสีทุกอย่างเนี่ยนะ สีเขียวสีเหลืองเป็นต้นมาสู่คลองในจักขุทวาลของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุที่หาประมาณไม่ได้รูปารม์นั้นทั้งหมดพระตถาคตเจ้าได้ทรงรู้แล้วอย่างนี้ว่าสัตว์นี้เห็นรูปารมณ์นี้แล้วนะรูปารมณ์ขณะนี้แล้วก็ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดใจเป็นกลางๆเมื่อสีแบบนี้เนี่ยนะสัตว์นี้เห็นเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะครับเช่นเราเห็นสีจีวรแล้วคิดยังไง พูดอีกได้หนึ่งนะว่าเออเนี่ยแสงสว่างเนี่ยนะคนทั้งโลกมองเห็นแสงสว่างแล้วใครนึกคิดอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับในแสงแสงเดียวสีสีเดียวเนี่ยนะทั้งหมดมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไงพระองค์ก็รอบรู้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมเช่นอากาศเย็นอย่างนี้แล้วใครรู้สึกอย่างไงเนี่ยนะครับเย็นเท่ากันเนี่ยนะใครมีความรู้สึกนึกคิดแค่ไหนอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัทธารลมคือเสียงกลองเสียงตะโพนเป็นต้นอันใดก็ เช่นนั้นมาสู่คลองในโซตะทะวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้หมายค่าว่าเสียงแต่ละอย่างให้ความรู้สึกนึกคิดแก่สัตว์ทั้งหมดแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นนะครับพระองค์ก็ทรงรอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนเหลือไม่ว่าจะเป็นคันธารมนะครับกลิ่นมีกลิ่นที่เกิดจากรากกลิ่นที่เกิดจากเปลือกเป็นต้นนะครับที่มาสู่คลองแห่งคาณทะวาร น, นะครับมาสู่จมูกเนี่ยนะ หรือว่าสระสารมรถที่เกิดจากรากรถที่เกิดจากลำต้นเป็นต้นอันใดามาสู่คลองในชิวหาทวานโพธพารมนะครับแยกเป็นปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตมีแข็งและอ่อนเป็นต้นอันใดามาสู่คลองในกายทวานของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุที่หาประมาณไม่ได้ พระตถาคตเจ้าได้ทรงทราบโพผัพารลมอันนั้นทั้งหมดอย่างนี้ว่าสัตว์นี้ถูกต้องโผดพารลมชื่อนี้ในขณะนี้แล้วเป็นผู้ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดมีใจเป็นกลางๆนะครับเมื่อเสวยอารมณ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยนะเป็นเวทนาชนิดไหนอย่างไรเป็นต้นนะครับพรงรอบรู้ทั้งหมดนะครับธรรมรมณ์ที่แยกออกเป็นสุขเป็นต้นนะครับอันใดก็เช่นนั้นมาสู่คลองในมโนทวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลก ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ธรรมารมนั้นทั้งหมดท่าตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้แล้วอย่างนี้ว่าสัตว์นี้รู้ธรรมารมชื่อนี้ในขณะนี้แล้วเป็นผู้ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดมีใจเป็นกลางๆนะครับยกตัวอย่างนี่นะสมมุติว่าเราปวดศีรษะขึ้นเนี่ยนะเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมปวดศีรษะเป็นธรรมารมนะ ตัวเวทนาตัวปวดนะั้นเนี่ยนะครับใครมีความรู้สึกดีใจเสียใจเฉยๆยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับสมมติว่าสัตว์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกเลยนะปวดหัวเนี่ยนะครับเมื่อใครปวดหัวขึ้นมาเนี่ยนะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงหลังจากปวดหัวเนี่ยพระองค์รู้หมดอย่างนั้นนะสา ม, มารถแสดงได้หมดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้แล้วพระธรรมโคเจ้าจะไม่ทรงเห็นจะไม่ทรงได้ยินจะไม่ทรงทราบหรือจะไม่ทรงรู้ย่อมไม่มีแต่รูปเป็นต้นที่มหาชน น, นี้แสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ประสบมีอยู่ที่ไม่ได้แสวงหาแล้วก็ไม่ประสบนี่มีอยู่ที่แสวงหาแล้วได้ประสบมีอยู่บ้างที่ไม่ได้แสวงหาแต่ได้ประสบมีอยู่บ้าง รูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะครับแม้ทั้งหมดที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสบแล้วคือไม่ทรงทําให้แจ้งด้วยยาณะแล้วยอมไม่มีนะครับทุกๆอารมณ์เลยนะมันสรุปแล้วแผ่นดินทุกตารางนิ้วของเมืองไทยนะครับพระองค์เห็นหมดเหมือนกันเน่ยนะหรือว่าแผ่นดินทั้งโลกนะครับทุกตารางนิ้วเห็นทุกอย่างเลยนะครับฝุ่นทุกฝุ่นในโลกพระองค์มองเห็นหมดเหมือนกันเลยนะ ไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวนะครับในโลกาธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับพงเห็นหมดเลยเพราะเหตุนั้นแหละจึงชื่อว่ารูปารม์อันใดที่มาสู่คลองในจักขคุทวาลของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ในโลกาธาตุทั้งหลายหาประมาณไม่ได้มีอยู่รูปารมณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยอาการสิ้นเชิงก็รูปารม์นั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงรู้ทรงเห็นอยู่อย่างนี้ เมื่อทรงจำแนกออกไปตามชื่อนะชื่อเนี่ยมากมายใช่ไหมครับชื่อเรียกอะไรครับสีแบบนี้เรียกจีวอนเรียกกุติเสนาสนะต้นไม้ใบหญ้านะสีแบบนี้เขาเรียกว่าต้นนี้ต้นนั้นชื่อต้นไม้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหมครับชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออะไรเนี่ยนะชื่อแยกเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะกล่าวตามนัยยะแห่งอภิธรรมเนี่ยนะครับก็ชื่อมีมากมายตามวาระสิบาวาระตามนัยยะห้าสิบสในเป็นต้นว่ารูป คืออะไรรูปคือรูปรายตนะได้แก่รูปที่อาศัยมหาพูท4ีทั้ง4นะครับคือเป็นรูปารมนะรูปารมณ์นี้มีมหาพูทธสีนะครับเป็นนิสยปัจจัยเป็นสหาชาตปัจจัยอธิปัจจัยนิสยปัจจัยวิคตาปัจจัยนะครับที่แสดงออกเป็นสีเป็นแสงสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนะครับ ที่มีการกระทบได้แล้วก็เห็นได้กระทบได้เนี่ยนะด้วยสา ม, มาถแห่งอิทธารมณ์และอ น, นิถารมณเป็นต้นสีบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาใช่ไหมเพราะว่าสีนั้นหน้าปรารถนาใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะสีพระพุทธรูปเห็นแล้วหน้าปราถนานะครับสําหรับผู้มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าสีอะไรครับสีของสัตว์เดรัจฉานแมวกําลังจะกินข้าวในบาอนี่นะถามว่าหน้าปราถนาไหมล่ะนะไม่ค่อยหน้าปราถนาเป็นต้นนะครับ หรือว่าด้วยสามารถแห่งบทที่ได้อยู่ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏภะ ท, ที่ได้ทราบและธรรมมรมที่ได้รู้แจ้งแล้วนะครับก็อย่างนั้นนั่นเองไม่มีผิดไปจากนั้นแม้เสียงเป็นต้นที่มาสู่คลองแม้ในโสตทวารเป็นต้นก็มีในนี้สรุปนะเสียงทั้งหลายที่มันดังระ ง, งมอยู่ตอนนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็รับรู้หมดแล้วนะครับเคยรู้หมดแล้วด้วยพยา น, นะครับ เ น, นะเพราะฉะนั้นไอเสียงที่เรารับรู้ทุกเสียงเนี่ยนะครับอย่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เสียงที่จะมีต่อไปในอนาคตอันหาประมาณไม่ได้ก็อย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้องรอบรู้มาหมดนะครับถ้าไม่รอบรู้ก็ละ ก, กิเลสเป็นต้นไม่ได้นะครับแล้วก็สอนสรรพสาัาตว์ไม่ได้บทว่าตัสมาตถาคโตติวุจตจตความว่า พระพุทธเจ้าบัณฑิตเรียกว่าตถาคตเพราะสิ่งที่ชาวโลกกล่าวแล้วโดยประการใดก็ตรัสแล้วโดยประการนั้นเหมือนกันนะครับพูดเหมือนอย่างที่สัตว์โลดเขาเพูดนั่นแหละว่างั้นส่วนคําใดที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าอภิสัมพุทธังตรัสรู้แล้วคํานั้นมีความหมายเท่ากับตถาคตศัพทด้วยคําว่าตถาคตนี้เป็นอันทรงแสดงเนื้อความนี้ไว้ว่าชื่อว่าตถาคตเพราะ ความเป็นผู้ทรงแสดงอย่างนั้นตามปกตินะครับแสดงอย่างนั้นตามปกติสมจริงดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นและที่ควรรู้แต่ไม่ทรงรู้พระองค์ทรงรู้ยิ่งทุกสิ่งที่ควรแนะนำเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้มีพระจักสุรอบด้านเรียกว่าสมันทะจักสุ สมัญตาจาักสูนี้ได้แก่พุทธญาณสิบสีใช่ไหมครับพุทธญาณสิบสี่อะไรบ้างญาณในอริยสัจสี่ญาณในปฏิสัมพิทาสี่เป็นแปใช่ไหมครับอาสาธราานญาณอีกหเป็นสิบ ส, าาสี่นะครับเรียกว่าสมัญตจักสูนะครับถึงพระสูตรนะครับถึงในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายแตถาคตรู้สิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกกับความกลาพร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้ได้ประสบได้แสวงหาได้ใคร่ครวญแล้วด้วยใจเราตถาคตได้รู้สิ่งนั้นแล้วตถาคตได้ทราบสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นได้ปรากฏแก่ตถาคตแล้วนะครับนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวถึงว่าสิ่งที่สัพพสวรรอบสิ่งที่สัพพสตรรู้นะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ว่างั้นเถอะแต่สิ่งที่พระองค์รู้ไม่แน่นะว่าสัตว์จะรู้ ก็เช่นพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์รู้ใช่ไหมครับแต่สัตว์ที่ไม่รู้เนี่ยมากหรือน้อยครับไม่รู้คำสอนของพระองค์เราเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับ